สู้ไม่สู้ไล่เลียงสภาวะกันดูสิจำได้ไหมตอนคําบอกว่าความรู้สึกทั้งหมดคือสภาวะพอพอเรารู้จักมันสภาวะพวกนี้มันก็จะเหลืออยู่ไม่กี่อย่างน้แต่นี้มันไม่มีสภาวะอะไรปรากฏให้เรา มึนงงแล้วส่วนมากมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวแล้วแต่ตัวรู้ต้องยังคงอยู่ตัวรู้ยังคงอยู่ในขณะที่เราเดินที่เราย่าไปตัวรู้ยังคงอยู่รู้เท้ามั่งรู้กายมั่งตัวรู้นี้ยังคงอยู่แต่สภาวะอื่นที่มันซ้อนขึ้นมาเช่นความวง่วงความเมื่อย อันนี้ยังไม่เกิดการบิตกยังไม่เกิดการคิดยังไม่มีการปรุงแต่งใดๆแค่เป็นความรู้สึกที่มันโกรธเกิดผุดขึ้นมาในขณะที่เราเพียรอยู่ความรู้สึกนั้นมันจะน้อยขึ้นมาเหลือไม่กี่อย่างนี่ถ้าเราสังเกตตอนที่เราไม่ง่วงอ่ะเราไปเดินพวกความรู้สึกพวกนี้จะมีเยอะกว่าแต่พอเราดึกขึ้นไปดึกขึ้นไ ป, ด, นไปดึกขึ้นไปเนี่ย มันเหลืออยู่ไม่กี่ความรู้สึกแล้วที่เป็นหลักๆที่เป็นหลักๆเหลือไม่กี่ความรู้สึกแล้วโดยเฉพาะไอ้ความรู้สึกตัวหนึ่งที่เราเรียกกันว่าถีนมิตะคือความห่วงถ้ปกติวกเวลาห่วงแล้วเรานอนใช่ไหมแต่ตอนนี้มันห่วงแล้วเราไม่นอนพอห่วงแล้วเราไม่นอนมันอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้ อยู่ได้อยู่ได้ในระยะเวลาหนึ่งแสดงว่าอะไรแสดงว่ากายจริงๆอะ่ะกายจริงๆอะ่ะมันยังอยู่ได้มันยังไม่ใช่จะนอนแต่ไอตัวที่มันอยากมากกว่ากายคือใจใจเนี่ยมันอยากมากกว่ากายกายจริงๆมันพอเราไม่นอนคือพอใจมันไม่นอนอะ่ะความห่วงทึงมันว่วงอยู่มันก็มีอำนาจน้อยลง พอพอ น, นั่งเราง่วงเราก็ยืนพอยืนเราง่วงเราก็เดินเดินเราง่วงเราก็นั่งนั่งเราง่วงเราก็ยืนยืนเราง่วงเราก็นั่งแสดงว่าอะไรขณะที่อิริยาบถมันสามารถเอาชนะความง่วงเหล่านี้ได้เนี่ยหมายความว่ากายจริงๆมันไม่ได้ง่วงมากแต่ตัวที่อยากนอนคือใจคือใจเพราะฉะนั้น ในความรู้สึกทุกความรู้สึกที่เป็นสภาวะปรากฏขึ้นในขณะที่เราภาวนาสภาวะเหล่นนั้นสังเกตดูไวด้ดีมันจะมีตัณหาเจือปนอยู่ถ้าเป็นสภาวะแท้ๆที่มันปรากฏโดยไม่มีตัณหาเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นมันจะเห็นมันแต่ถ้าตัวใดที่เป็นตัณหาเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะไม่เห็นมัน แม้เราเห็นมันแต่เรารู้สึกว่ามันมีกำลังมากมีอำนาจมากอันาไล่เลียงดูว่าในขณะที่เราภาวนาไปทั้งเดินทั้งนั่งในระยะจากเวลาตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้เที่ยงคืนมันจะมีความรู้สึกไม่ไม่ค่อยมากแล้วเกี่ยวกับกายนะ ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาจากการป่วนแปรปวนของธาตุนี่มันจะมีไม่เท่าไหร่แล้วแต่มันจะมีใหญ่ๆที่เราเห็นมันจะทําให้สภาวะตัวอื่นนี่ด้อยค่าไปเรื่อยๆด้อยค่าไปเรื่อยในที่สุดพอมาลาไปเรื่อยสภาวะที่ชื่อว่าความห่วงคือพีตมิทะความรู้สึกตัวนี้มันจะแรงกว่าเพื่อนมันจะแรงกว่าเพื่อนเราก็เรียนรู้ไว้เรียนรู้ไว้เพื่อที่จะรู้จากมันแล้วก็ทําในใจให้เห็นมันให้ได้ว่า แม้สภาวะตัวนี้มันก็เป็นอุปาทะคือเกิดขึ้นทิฏฐิคือพังคะและอ่าพังคะคือตับถลายไปแล้วทําไมมันยังง่วงอยู่อ่ะก็ไอ้ง่วงตัวที่เรากําลังรู้สึกอยู่นี้มันเป็นตัวสภาวะที่เกิดใหม่มันไม่ใช่ง่วงแล้วมันจะอยู่ตลอดเวลาแต่ง่วงนี้ความเป็นความรู้สึกที่มันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราไม่สนองมันพอเราไม่สนองมันความเคยชินของร่างกายเราตอนเนี้ยโดดอยู่บ้านเรานอนแล้วนี่ความเคยชินของร่างกายพอไปตีสามตีสี่เราตื่นใช่ไหมอยู่บ้านเราตื่นใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะหายไปเดี๋ยวไปหายไปตามความเคยชินของร่างกายพอตีสามตีสี่เดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หาย เราไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อทรมานตัวเองแต่เราจะต้องให้การได้รับการเรียนรู้ในเรื่องของสภาวะและร้อยเรียงมันขึ้นมาดูและเห็นได้มันจะง่วงเท่าไรก็ช่างถ้าเราทาในใจอย่างนี้ตัวรู้ของเรายัางคงอยู่ตัวรู้ของเรายัางคงอยู่แล้วก็มีกลายเป็นอารมณ์สเสมอจะมีกลายเป็นอารมณ์สเสมอมีกลายเป็นอารมณ์เือมันไม่ออกไป มันไม่ออกไปจากกายมันมีความม่วงครอบงำอยู่แต่มันยังมีตัวรู้อยู่มันก็ไม่ออกไปจากกายเดี๋ยวมันก็ง่วงก็เราก็เดินง่วงเราก็นั่งง่วงเราก็ลุกยืนง่วงเราก็นั่งให้กายเป็นอารมณ์ของตัวรู้อยู่เกาะอยู่อย่างนี้ต่อไปเรืเ่อยๆอันนี้คือภาวนาในขณะที่มันม่วงอยู่สติสมาธิปรากฏอยู่ทรงตัวอยู่สเสมออันนี้คือการภาวนาแล้วเราสามารถที่จะป้อน อารมณ์อันเป็นอันเป็นอาหารสำหรับที่จะให้ฉันทะปรากฏได้ก็ลองคิดดูว่าถ้ากลับกันเราไม่ได้ภาวนาไม่ได้เดินไม่ได้นั่งแต่เราดูซีรีส์ที่เราชอบเราดูซีรีส์ที่เราชอบอ้าวเคยไหมเคยไหมเคยไหม <c oughs> ดูซีรีส์ที่ชอบป่านนี้ยังดูอยู่ไหมตาตื่นไหมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะฉันทะฉันทะมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดจากที่เราไปยินดีพอใจมันอา้าวแล้วถ้าเราภาวนาอย่างนี้มันมีความห่วงมันมีสภาวะนู่นนีเยอะแยะมายแต่ตัวรู้ยังอยู่ตัวรู้มันจะทะลุฉันทะเข้าไปเมื่อใดเมื่อนั้นมันก็ตื่นเหมือนดูซีรีส์นั่นแหละ แต่มันเป็นการตื่นจากข้างในอันนี้ ก, ก็เรียกว่าเป็นการผุดขึ้นขององค์ธรรมและถ้าเราไม่ไปพิจารณาเสพเหยื่อของมันเหยื่อของมันคืออะไรที่นอนแอร์หมอนนุ่มๆที่นอนนุ่มๆที่บ้านที่มันเคยคุ้นชินอยู่ถ้าเราจิตเราไปวิตกถึงมันนั่นเรียกว่าเราไปเสพเหยื่อของมัน ถ้าเราไปเสพเื ย, เยอของมันอาการปรุงคิดจึงเกิดขึ้นทีนี้ปรุงคิดแล้วก็จะทําให้เกิดโกสัชชจฉะจําคํานี้ไว้ด้วยนะไอโกสัจฉะโกสัจฉะแปลว่าอะไรเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมคืออะไรยมเออไม่ใช่ไม่ใช่เกียรติครันธรรมดานะโกสัจฉะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ความเกียรตครันธรรมดานะ โกสัจฉะนี่เป็นความเกียดคร้านอันเกิดขึ้นจากการปรุงคิดจนเกิดการเบื่อนหน่ายท้อแท้กับสภาพที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันปรุงคิดจนกระทั่งมันเกิดการเบื่อนหน่ายท้อแท้กับสภาพที่เป็นปัจจุบันนี่เรียกว่าโกสัจชะเขาเรียกรวมๆ ว, ว่าความเกียดคร้านแต่ไม่ใช่เกียดคร้านธรรมดานะ เราภาวนาของเราอยู่ดีๆเราเดินโยงกลมอยู่ดีๆเรานั่งสมาธิของเราอยู่ดีๆโห้ยกำลังดีเลยแล้วมันก็เกิดการปรุงคิดขึ้นมาพปรุงคิดขึ้นมาว่ามันทําอะไรเนี่ยโห้ยง่วงเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินเปลี่ยเหลือเกิน้ตาแม่มาทําไมเนี่ยโอ้ยไม่หน่ามาลงทะเบียนเลยคอ น, นี้อุย้ยมาทรมานทรมกำร่างกายอยู่แต่ไมมันปรุงคิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะเกิดกังวสัจฉกโงสัชฉคือมันมันไม่รู้สึกดีนะ มันไม่รู้สึกดีกับการที่จะต้องมานั่งการไม่รู้สึกดีกับการที่จะต้องมานั่งฟังทรรมไม่รู้สึกดีกับการที่จะต้องมาเดินไม่รู้สึกดีกับกกับการที่จะต้องมาปฏิบัติกิจกรรมอ่านี่เรียกว่าโกสัจฉมันจะตามเข้ามาเพราะฉะนั้นให้ตัวรู้ยังคงอยู่ตัวรู้ยังคงมีกายเป็นอารมณ์เสมอใครได้ยีนไปมั้งยังมีไหมยังเหรอเออ เราเห็นตาตื่นกันดีแท้ได้นี่ตอนนี้นั่งสมาธิแล้วเป็นไงฮะไหวไหมไหวจำไว้เลยให้ตัวรู้ยังคงอยู่เนี่ยตัวนี้นั่งฟังธรรมอยู่เนี่ยตัวรู้ยังคงอยู่ดูอยู่ที่กาย อยู่ที่กายให้ตัวรู้ยังคงอยู่สบเบอมันง่วงก็มันเป็นสภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้เป็นปกติของมันอืมันเมื่อยมันก็เป็นสภาวะที่เกิดได้ตามปกติของมันมันเหนื่อยมันก็เป็นสภาวะที่เกิดได้ตามปกติของมันมันลาก็เป็นสภาวะที่เกิดได้ตามปกติของมันเพราะว่ากายเนี้ยมันเป็นการประชุมของหมู่ธาตุและธาตุทุกตัว พร่องอยู่เสมอบกพร่องอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอาการเมื่อยอาการอ่วงอาการต่างๆต่างๆเนี้เป็นความเป็นแปรปรวนของธาตุสามารถเกิดขึ้นได้เหมือนเรานั่งเนี่ยนั่งแล้วร่างกายมันน้าหนักของกายเรมไปไปกดทับพอไปกดทับธาตุมันก็เกิดการแปรปรวนลมมันกดดันเลือดมันกดเดินไม่สะดวกมันก็เกิดอาการแปรปรวนของธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเดี๋ยวมันก็เจ็บตรงนั้นเดี๋ยวมันก็เมื่อยตรงนี้เดี๋ยวมันก็อย่างนั้นตรงนั้นเดี๋ยวมันก็อย่างนั้นตรงนี้ แต่เราจะต้องรู้ไว้ว่าวันหนึ่งธาตุนี้ต้องแตกเมื่อมันแตกอาการแปรปพวนของธาตุเหล่านี้ไม่สามารถปรากฏมาเป็นเวทนาได้มันก็มีแต่จะย่อยสลายหลับไปดินก็จะย่อยสลายไปสู่ดินน้ําก็จ ะ, สะแสบเปลสภาพไปสู่น้ําลมก็จะคืนสภาพไปสู่ลมไฟก็คืนสภาพไปสู่ไฟแค่นั้นความเป็นชีวิตก็จบกายเมื่อกายนี้แตกเมื่อใดเมื่อนั้นน่ะ มันมันไม่มีโอกาสที่จะให้เป็นเครื่องมือสำหรับเรามาเรียนรู้ฝึกฝนอบรมอย่างนี้อีกแล้วเราต้องรู้ไว้ตรงนั้นด้วยนะนี่ความแปรปรวนของธาตุความเคลื่อนไหวของทา่านนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนนักภาวนาไว้สเสมอให้พิจารณาอยู่บ่อยๆเรื่องของคาถาห้าบทที่เคยพูดได้ฟังต้องพิจารณาระลึกอยู่สเสมอเสอว่าอะไรเรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงผลความแก่ไปไม่ได้ เราเราฟังอย่างนี้แล้วโอ้ยความแก่เป็นธรรมดาได้ยินมาตั้งนานแล้วแล้วเราลองคิดด้วยใจที่มีตัวรู้อยู่แบบนี้สิว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ภาวนาทำในใจระลึกลงไปด้วยตัวรู้ที่เรามีอยู่เราก็จะเห็นสภาพของกายเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มีความแปรปรวนไปต่อหน้าต่อตาของเรา ทน่นความรู้สึกที่เป็นสภาวะซึ่งปรากฏขึ้นในขณะที่เราภาวานามันจึงเป็นเรื่องเล็กน้อยขึ้นมาทันทีอํานาจของฉันทะสําหรับที่จะมุ่งเข้าสู่การภาวานาก็จะมีกําลังขึ้นเรามาความเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บป่วย ไ, ไปมยไม่ได้เรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บป่วยไป ไ, ไม่ได้เพราะมันเราภรม a m อย่างนี้ทําในใจอย่างนี้ด้วยตูวตัวรู้ที่เรามีอยู่ปัญญาคือความรู้ที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาตัวนี้ก็คือ ทำให้เราเห็นว่าไอความแข็งแรงความแข็งแรงความคล่องตัวความถ น, นัดความเชี่ยวชาญความชานาญในการเคลื่อนไหวความการคู่การเหยียดการอะไรของเราที่มีอยู่ในวันนี้มันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวแป๊บเดียวเท่านั้นที่ยังคงมีอยู่เดี๋ยวอีกหน่อยหนึ่งมันก็เหยียดไม่ได้คู่ไม่ได้นั่งไม่ได้เดินไม่ได้นอนไม่ได้ มันจะปรากฏชัดขึ้นมาด้วยอำนาจของตัวรู้จะทำให้เราเห็นความเจ็บความป่วยต่อหน้าต่อตาของเรามันปรากฏขึ้นมามันก็จะทำให้เกิดกำลังของฉันทะสําหรับที่จะมาภาวนาในขณะนี้มันก็มีกำลังยิ่งขึ้นเรามีความเรามีความตายเป็นธรรมดาพอมีความตายเป็นธรรมดาทีนี้พิจารณาไปบ่อยๆด้วยตัวรู้ที่เรามีอยู่เราก็จะเห็นชีวิตของเราเนี่ยมันกาลังตาย เราก็จะเห็นชีวิตของเราว่ามันกำลังตายถ้าความรู้นี้เกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อ น, นั้นเราจะเห็นว่าไอ้การที่เรายังเป็นชีวิตอยู่ในขณะนี้มันมีคุณค่ามหาศาลมันมีค่ามหาศาลเลยที่เรายังไม่ตายตอนนี้แล้วเราจะปล่อยมันให้ไปเป็นเพียงแค่เกิดการนอนหลับตามอํานาจของสภาวะที่ปรากฏไม่ได้ มันก็จะยิ่งเพิ่มกำนางของฉันทะในการที่จะทำให้ภาวนามีกำลังเข้มข้นขึ้นออมีกำลังเข้มขนขึ้นสนุกไม่ใช่อเปียบนะได้มาชั่วโมงหนึ่งว่าได้ชั่วโมงหนึ่งก็ครบชั่วโมงปับตื่นเลยทีนี้ลองดูสิเดี๋ยวเราก็จะนั่งกันดูนะ ในถ้ำกลางสภาวะของการบวงเสียเมื่อกี้เห็นหลคนเห็นยมมุงยมแมมก็นั่งในตู้ในเต็นนั่งตัวตรง๊ะเอต้องอย่างนี้่การการทำสมาธิบมอบรมเพาะไปเรื่อยๆที่นี้เราก็จะพูดถึงเรื่องลมยาวลมยาวในที่นี้ก็คือการทำลมให้มันยาวซึ่งเคยพูดแล้วแหละที่อาการทำแต่มันเหมาะ กับการที่จะทำสมาธิในรอบนี้การทำลมหายใจให้ยาวการทำลมหายใจยาวหมายความว่าอะไรลมยาวเนี่ย้าลมหายใจปกติเราดูลมหายใจของเราเข้าออกปกติแต่ยาวหมายความว่ามันยาวกว่าลมปกติด้วยการตั้งใจทำให้ลมหายใจมันยาว แล้วเรารู้ลมนั้นน่ะลมยาวตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจที่มันยาวแล้วการทำลมให้ยาวไม่ใช่ทำลมแรงลมนั้นจะต้องบริหารให้เขาอยู่ในระดับมีน้ำหนักกลางๆก็เริ่มอย่างเดิมเลยหายใจเข้าให้ยาวแล้วก็ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ออกยาว แล้วก็ปล่อยลมหายใจออกมาพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมยาวนั้นอันนี้ฟังก่อนนะพ อ, พอรู้ลมหายใจออกยาวได้ทีนี้ก็รู้ลมหายใจเข้ายาวแต่จิตรู้จะต้องเฝ้ารู้อยู่ที่เดียวเฝ้ารู้อยู่ที่เดียวแต่ลมนั้นยาวไปตามการบริหารของเรา แล้วก็ข้าวยาวออกยาวข้าวยาวออกยาวไปเรื่อยๆแล้วดูความอัศจรรย์ของลมยาวจะพูดลวกหน้าไปก่อนก็ได้พอมันดูลมยาวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อ ย, เ ร, อยเรื่อยืยยาวเนี่ยความกลางกลางของมันบริหาร ไ, ได้แต่อย่าให้ยาวจนกระทั่งอึดอัดยาวอึดอัดเช่นว่า คือมันสุดไม่ได้แล้วยังพยายามจะให้มันยืดยาวขึ้นไปอีกนั่นจะอึดอัดเอายาวแบบยาวกว่าลมหายใจปกติแล้วเฝ้ายาวไปเรื่อยส่องรู้ดูลมยาวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอมันราบเรียบได้ถนัดแล้วระยะของลมเป็นปกติแล้วคือยาวเป็นปกติได้แล้วเนี่ยเราก็เพิ่มเพิ่มความใส่ใจในการรู้ลมยาวเพิ่มเข้าไป เพิ่มเข้าไปเข้นการเพิ่มการใส่ใจสู่ลมยาวเข้าไปเรื่อยเรืยไอ้เข้นการเพิ่มการใส่ใจสู่ลมยาวเรื่อยเรื่อยนี่แหละตัวนี้เรียกว่าฉันทะปลูกฉันทะให้เกิดขึ้นด้วยการเน้นการใส่ใจลมยาวนี้เข้าไปเรื่อยเรื่อยร่ยยยแรงใส่ใจที่จะเพิ่มขึ้นนั่นแหละตัวนี้เป็นฉันทะพอทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย ลมที่ว่ากำลังเราทำให้มันเบาอยู่เนี่ยมันจะเบาของมันเองละทีนี้มันจะเบาของมันเองแต่มันยังยาวอยู่มันยังยาวอยู่ไอแรงใส่ใจที่เป็นฉันทะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะสหบตัวมันลงมาเกิดเป็นความปราโมดลมยิ่งเบาลงแล้วมันก็จะยาวอยู่ต่อไปพอเป็นความปราโมดเนี่ย ความประมาทกับฉันทะมันจะต่างกันฉันทะที่เราใส่เข็นเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดความปราะมาทแต่เวลาเป็นความปราโมาทนี่มันจะต่างกันพอความประมาทปับ๊บจิตมันจะเกิดการรื่นเริงจิตรู้นั้นมันจะเกิดเกิดการรื่นเริงแล้วมันก็จะมาอยู่กับความปราโมาทตรงนี้ภาษาในวิสุทธิมักเรียกว่าอัศสาสปัตสาสังจิตตังวิวัตติคือจิตบันหลีกออกมาจากลมหายใจ จิตมันลีกออกมาจากลมหายใจแล้วมาอยู่กับความปราโมทมาอยู่กับความปราโมทตัวที่จะเกิดคือตัวอุเบคาสันธติอิเบคาก็จะปรากฏขึ้นสติที่ตั้งอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าอนุปัสนาญาณสติเป็นอนุปัสนาญาณ คือจะเป็นตัวที่คอยส่องตามดูตามรู้สภาพที่มันปรากฏนี่ความอัศจรรย์ของลมยาวเพราะะนั้นเราก็เริ่มต้นด้วยการหายใจเข้ายาวและก็ปรับระดับของลมหายใจไม่ให้มันแรงถ้าลมหายใจแรงมันจะยาวไม่ได้อันนี้เข้าใจวิธีหรือยังนะเออ เอเคยพูดแล้อย่างเรื่องนี้เคยแล้วนะเคยแล้วก็เข้าสู่การปฏิบัติกันลองลองใช้ที่เราเรียกกันว่ากำหนดนะหรือตั้งใจนะทำลมหายใจให้ยาวแบบสบายๆไม่ใช่ยาวแบบอึดอัดยาวแบบสบายๆลองดูสิว่าไอ้ถีนวิถะมันจะ อยู่ได้ไหมหยุดตามเสียงะระฆังน ะ, ะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนัง่งคูบัลลังตั้งกายตรงดำรงสติ มันอยู่เฉพาะหน้าน้อมจิตรู้เข้าไปอยู่ฐานของจิต ที่สามารถรู้สึกต่อลมได้เราก็เริ่มต้นโดยการหายใจเข้ายาวเข้าไปแล้วหยุดลมหายใจไว้แล้วตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจออกยาวแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกมาให้ยาวกว่าลมปกติ เมือ่อใดแล้วก็หายใจเข้ายาวแล้วก็หายใจออกยาวหายใจเข้ายาว ห้ใจออกยาวความรู้อยู่จุดที่มันรู้สึกได้เรียกว่าฐานที่ตั้งของจิตรู้ของเรา จิตรู้มันอาจจะไปรู้ความกระเพื่อมของกายเช่นว่ามันจะรู้นอกจากมันไปรู้ลมแล้วมันจะกระเพื่อมไปรู้การกระเพื่อมของกายตรงบริเวณหนนหน้าอกที่มันมีการเคลื่อนไหวเวลาเราหายใจเข้ายาวหรือเวลาเราหายใจออกยาวมันจะเกิดการเคลื่อนไหวเป็นอาการกระเพื่อมถ้ามันถ้ามันไปรู้ก็ไม่เป็นไร แต่เราเฝ้ารู้ส่วนที่เป็นลมออกและลมเข้าอย่าไว้ ากายมันคู่เอียงเราก็จัดให้มันตรงแต่ในขณะที่จัดกายให้ตรงจิตยังเกาะอยู่ที่ลมจังหวะที่ลมหายใจเข้ายาวก็รู้ลมหายใจเข้ายาวพร้อมกับจัดกายให้ตรงได้ พอจิตรู้เริ่มรู้ลมได้อย่างราบเรียบความยาวของลมเริ่มเป็นจุดปกติได้เราก็เพิ่มความใส่ใจต่อลมหายใจเข้าไปจากเดิมที่ใส่ใจคือการรู้นั้น เป็นอย่างไรเราก็เพิ่มความใส่ใจเน้นเข้าไปเข้นความใส่ใจเข้าไปสู่ลมหายใจเพิ่มขึ้น บางครั้งเมื่อลมหายใจออกสุดมันจึงมีจังหวะที่ลมหายใจของเรามันหยุดก่อนลมหายใจเข้าจะมาก็แค่รู้ไว้แต่ใส่ใจในการที่จะรู้ลมและทำลมให้มันยาวตามปกติของมันเพิ่มการใส่ใจกำลังของก า, การใส่ใจเพิ่มขึ้นเท่าที่จะเพิ่มได้ พอเพิ่มความใส่ใจขึ้นไปจะสังเกตกำลังของจิตจะมีการตื่นขึ้นจากภายใน เพิ่มแรงใส่ใจลงไปเพิ่มความใส่ใจลงไปสู่ลมหายใจให้มันเพิ่มขึ้น ถ้าความรื่นเริงมันเกิดจะมีความเบาความสบายความโปรง่งขึ้นมาจากภายในลมหายใจก็จะละเอียดเบาก็ไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปตั้งใจอะไรมาก ถ้าลมยาวก็ออกมาเป็นลมปกติแล้วจิตจะต้องมีความปราโมดปรากฏจิตรู้ก็อยู่กับความปราโมด ตอนลมหายใจออกสุดก่อนที่จะมีลมหายใจเข้ามันจะมีสภาวะลมหยุดนั้นยาวขึ้นการหยุดของลมนานขึ้นตรงนั้นจะทำให้จิตเหลือออกไปปรุงคิดได้ ก็เพิ่มแรงใส่ใจในการที่จะรู้ลมยาวเพิ่มความใส่ใจเข้าไปให้เยอะขึ้นเข็นการใส่ใจให้มีกำลังเพิ่มขึ้น ค่อยๆผ่อน ล, ลมหายใจออกมาเป็นลมปกติรู้ลมหายใจที่เป็นปกติจากนั้นก็ยกจิตรู้ไปรู้สึกที่มือข้างขวาขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกค่อยๆยกเคลื่อนมือขวาไปวางไว้ที่เข่าข้างขวา ยกจิตไปไว้ที่มือข้างซ้ายขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกก็ค่อยยกมือซ้ายเคลื่อนไปไว้ที่เข่าข้างซ้ายให้จิตรู้สึกตั้งตัวตรงยกจิตมาดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าแล้วก็ผ่าหกหน้าขึ้นมานิดหนึ่งลืมตาอกจากสมาธิ ปไงความง่วงไปไงลมยาวนี่มันจะทำให้ตื่นไหมตื่นไหมตื่นไหมนันรู้สึกไหมว่าลมยาวมันจะทำให้จิตมันตื่นข้างในถ้าเราไล่เรียงดูในสภาวะของมันนี่ขนาดนี้เราออกมาสู่ปกติแต่จิตรู้มันยังอยู่อุเบกขา ที่ปรากฏมันก็ยังอยู่เราไม่ได้ทำลมยาวยาวนานถึงสี่สิบนาทีเลยนะส่วนมากลมยาวทำมาที่อาการทำเราเคยทำมาประมาณยี่สิบห้าสามสิบนาทีที่เป็นทำลมยาวยาวสุดแล้วแต่วันนี้รู้ลมยาวนี่สี่สิบนาที แต่ละคนก็จะได้เห็นสภาวะเยอะแยะโดยเฉพาะลมหยุดจะเห็นได้ง่ายในการรู้ลมยาวเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเพียงแค่ว่าทีคั้งว่าอัจฉริชนโตทีครังอัตสามีติประชานาติทีครังว่าปัตฉรสชนโตเอ่อทีคังว่าอัตฉริชนโตทีคั้งอัตสามีติประชานาติ ที่คังว่าปัตสะสันโตที่้ังอัตสามีติประชานาติแต่พระสารีบุตรไปขยายขยายความข้อ น, นี้ในทางการปฏิบัติปรากฏอยู่ในคุตตกมหาคุตตะนิกายมหาวัชในส่วนที่เป็นปฏิสัมพิธามะในเรื่องของการทำลมยาวเดอพระพุทธโกศอาจาร ได้มาทํารายละเอียดไว้เก้าขั้นตอนเก้าขั้นตอน<ม>แค่รู้ลมยาวนี่วัตถุกิจดูนะปะัทสัยใจรู้ลมยาวเนี่ยในส่วนที่รู้ลมยาวในส่วนเบื้องต้นนั้นสามสามขั้นคือรู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวไอายาวนี่ยาวยังไง ไม่ใช่วิ่งยาวไปนะให้ประมวลเอาฉันใช้คำว่าอัธานสั่งคาเตโดยการนับว่ายาว <c oughs> นับว่ายาวไม่หมายไม่ได้บางคนไปตีความว่าเราต้องนับหายใจเข้านี่นับหนึ่งสองามสี่ แปดเก้าสิบสอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบ้าบสิบ็ดิบปดิบเก้ายี่บไหนที่มันยาวได้เท่าไหรก็ว่าเท่านั้นแล้วก็หายใจเข้ายาวนับได้เท่าไร่หายใจออกก็ต้องยาวนับได้เท่านั้นซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องอัธานสังคาเตในอันนับว่ายาวหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราผู้ปฏิบัติสามารถรู้เองได้ว่ามันยาวเนี่ยโดยโดย อธานาังกาเต่เนี่ยถ้าโดยศัพท์มันแปลว่าในการนับว่ายาวแต่จริงๆในอันประมวลว่ายาวในอันประมวลว่ายาวเราเป็นผู้ปฏิบัติเราก็สามารถรู้ได้เองว่าลมหายใจของเราเมื่อกี้เนี่ยมันยาวกว่าลมปกติแล้วเราก็ใส่ใจก็ไปสู่ลมยาวนั้นรู้ลมหายใจออกยาวรู้ลมหายใจเข้ายาว รู้ลมหายใจออกยาวรู้ลมหายใจเข้ายาวสองรู้ลมหายใจออกยาวรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวรู้ลมหายใจเข้ายาวนี่สองนะแล้วก็รู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ายาวคือรู้ว่ายาวตอนออกรู้ว่ายาวตอนเข้าแล้วก็ รู้ว่ายาวตอนออกแล้วก็ตอนข้าวคือท่านเก็บหมดหมายความว่าลักษณะการหายใจของเราเนี่ยเวลาเราใส่ใจก็ไปสู่ลมยาวเนี่ยเพราะว่าลมยาวมันไม่ใช่ลมตามธรรมชาติของเราเราทำมันขึ้นมาให้เขายาวเพราะฉะนั้นเวลาเราทำให้ลมมันยาวเนี่ยพอลมหายใจออกยาวลมหายใจข้าวยาวมันจะมีบางจังหวะที่เราหายใจข้าวแล้วลมหายใจออก รู้เป็นคู่ของมันหายใจออกหายใจเข้ายาวนี่สามทำไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆแต่ท่านว่าให้ใส่ฉันทะเข้าไปคือจากการที่ใส่ใจรู้ลมยาวเท่าไหร่ให้เพิ่มในทางปฏิบัติหมายความว่าเพิ่มการใส่ใจสู่ลมยาวให้มากขึ้นในเนื้อความใส่ใจนั้นจะมีกำลังเพิ่มขึ้นในการวิ่งเข้าไปหาลมยาว อันนี้แหละที่ ต, ตัวนี้เรียกว่าฉันทะใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆ ใ, ใส่ไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยจิต ท, ที่รู้มันก็จะเน้นลงไปสู่ลมยาวที่มากกว่าปกติแล้วหลังจากนั้นมันจะสะบูกรับตัวเองลงมากลายเป็นความปราโมดเวลามันรับตัวเองลงมากลายเป็นความปราโมดลมหายใจที่ออกยาวเข้ายาวนี้ก็จะหยุดลงไม่ใช่มันหยุดนะจริงๆ จิตมันจะหลีกออกมาเองจิตหลีกออกมาเองทีเนี้ยอันตรายที่สุดก็คือว่าถ้ามันมีถินมิทะคือความห่วงอยู่เนี่ยสติมันเบากว่าสติมันเบากว่าสมาธิพอสติเบากว่าสมาธิมันหลีกออกจากลหมหายใจมันก็จะลงกเขก็ไปเรารู้สึกยังไงมันเหมือนกับนิ่งและรู้ว่ามันมีสติอยู่รู้ว่ามันมีสติอยู่แต่มันนิ่ง นิ่งลึกลงไปนิ่ ง, ลลงไลักษณะมันเคลื่เหมือนกับการเคลื่อแต่เราบอกว่าเราไม่ได้เคลื่อนนะเรามีสติอยู่จริงๆไม่ใช่อะไรนะกําลังของสติมันเบาเบากว่าสมาธิพอเบากว่าสมาธิมันก็จิตก็จิตรู้ของเราก็หล่นลุปปลุกลงไปถ้าหล่นลงไปอย่างนี้เส้นทางในการภาวนาที่เดินไปนั้นหยุดหยุดแล้ว อยู่กับขาการเคลื่อนนั่นแหละอาการนี้เรียกว่าสติมันเบาเบามากเบากว่าสมาธิมากแต่มันรู้มันเหมือนกับเคลือแต่มันรู้ตัวเหมือนกับง่วงเหมือนกับหลับแต่มันรู้ตัวเออบางคนบอกหลับเหมือนหลับเลยเหมือนง่วงมากเหมือนเคลื่อเลยแต่ว่ามันรู้จริงๆแล้วไม่ใช่อะไรหรอกกำลังของสติมันเบาเบาเสร็จแล้วมันก็ลงรูปลงไปพอลงรูปลงไปเนี่ยมันจะไม่มาหาลมหายใจแล้วนะ และเราในขณะนั้นก็เกิดวิตกขึ้นมาว่าลมหายใจเราหายลมหายใจเราหยุดก็สุดแท้แต่ที่เราจะประมวลทำความเข้าใจเอาเองแต่แท้ที่จริงอะ่ะจิตรู้มันหล่นลงไปในหวงของสมาธิโดยเหตุที่ว่ามันมีสติเบาทีนี้บางคนเกิดอาการแปรปรวนขึ้นมาจิตรู้ไปเห็นร่างกายไปรู้สึกเกิดการรู้สึกว่ามันร้อน ร้อนไปหมดเลยที่มือก็ร้อนขวาเท้าก็ร้อนที่แขนก็ร้อนที่ตัวก็ร้อนไปหมดเลยเหมือนเหมือนนั่งใกล้กองไฟเลยร้อนอย่างงั้นอันนี้คือคือว่าพอสมาธิมันละเอียดสติมันเบามันก็ไปสัมผัสกับการกับธาตุไฟในร่างกายซึ่งมันไม่ได้ร้อนมากถึงขนาดนั้นแต่สมาธิที่มันละเอียดอ่ะมันจะไปสัมผัสกับอาการของธาตุไฟที่เป็นความร้อนนั้นสัมผัสมาก สัมผัสแบบชัดแจ้งมันก็เลยร้อนก็สุดแท้แต่สภาวะที่มันปรากฏในขณะนั้นแต่พอทำลมยาวก็ไม่เห็นง่วงง่วงนิดๆหน่อยๆก็มันก็ตื่นได้จากข้างในลมยาวสามารถทำให้ข้างในเราตื่นออกมาได้ทีนี้ก็เอาตัวรู้ที่มีอยู่ในตอนเนี้ยไปใช้ในการเดิน เดินเนี่ยไม่ต้องเน้นรูปแบบมากแล้วเดินรู้การเคลื่อนไหวของกายแล้วก็ให้ให้รู้ไปรู้ในอิริยาบถให้มันละเอียดจากรู้เดินเสร็จแล้วก็หยุดให้มันรู้ในการยืนบ้างจากรู้ในการยืนเสร็จแล้วก็นั่งพักให้มันรู้ในการนั่งบ้างนั่งเสร็จแล้วลองเดินยืน สลับไปสลับมาในอียาบ ท, ที่มันละเอียดให้ละเอียดไปกว่านั้นให้ละเอียดไปกว่าเดินในรูปแบบแล้วก็เดินเป็นปกติเดินยาวๆให้มนลองรู้เดินเดี๋ยวให้ตัวรู้เนี่ยรู้กายเนี่ยให้มันรู้แล้วก็เดินไปยาวๆเพิ่มความเร็วในการเดินอีกสักนิดหนึ่งก็ได้ลองดูกราบพระแล้วก็เชิญปฏิบัติต่อ การหายใจยาวนอกจากเราจะได้อย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ทางการแพทย์มันจะทำให้เลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองดีมากแล้วเมื่อเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองโดยเฉพาะเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยจะทำให้ความจำดีมากเคยเห็นไหมที่เขาทำอย่างเงี้ยที่เขาบริหารด้วยวิธีการ ฝึกฝนเพื่อไม่ให้เกิดภาวะของสมอง่อและความจำเสื่อมให้เนี่ยกอย่างนี้หนไหมพอแบร์เสร็จเนี่ยหายใจเข้ายาวแล้วกลั้นไว้นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่้าหกดพร้อมด้วยลมหายใจออกนะแล้วหายใจออกนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็กาไว้หายใจ นับหนึ่งสิบสบครั้งอ่ะทำสิบครั้งสิบครั้งสิบครั้งสิบครั้งสิครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งพอหายใเข้าเายาวๆอย่างเงี้ยทางการแพทย์ก็ว่ามันเลือดมันออกซิเจนมันจะขึ้นไปเลี้ยงเข้าไปอยู่ในเลือดเยอะแล้วทําให้เลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองได้ดีมากความจําจะดีหมอก็บอกว่าการเอามาทำบ่อยความจําถึงดี